เรามีศาสนาเป็นเพื่องปกครองจิตใจจึงเหมือนกับลูกที่มีพ่อมีแม่เป็นผู้ปกครองอุ่นหนาฝาข้างเย็นสบายพ่อแม่ก็มีเหตุมีผลลูกก็เป็นผู้สนใจต่อเหตุแต่ผลพูดกันก็รู้เรื่องครอบครัวนั้นร่มเย็น ้ามีภรรยาก็อบต่างคนต่างมีเหตุมีผลยอมรับตามความจริงผิดถูกประการใดไม้ถือว่าตนเป็นผู้หญิงตนเป็นผู้ชายตนเป็นลูกยิ่งกว่าเหตุผลเหตุผลเป็นเครื่องปกครองครอบครัวนั้นร่มเย็นผู้นั้นร่มเย็นพุทธศาสนา ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจของผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยความลงใจเชื่อเหตุเชื่อผลตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยงขนาดใดจิตที่จิตใจของเราห่างเหินจากศาสนาเราจะเห็นผลหรือเห็นโทษแห่งความห่งเหินนั่น โดยลําดับลําดับนับแต่มากนับแต่น้อยจนถึงมากขณะใด ร, ระยะระยะใดจิตใจเรามีความเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับศาสน า, ศาคือมีธรรมเป็นเครื่องะระลึก อ, อยู่เสมอภายในปิตใจสิ่งที่เป็นพิบเป็นภัยก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้จิตใจย่อมมีความวนุ่มเย็นเป็นสุข แต่ทำหน้าที่การงานอันใดก็เป็นไปด้วยเหตุโดยผลไม่ลุกี้ลุกหลนร้อนเกินเหตุเกินผลทั้งๆ ท, ที่ใช้การอะไรไม่ได้เพราะความร้อนนั้นร้อนก็ให้เป็นไปตามเหตุตามผลจะเย็นก็ให้เป็นไปตามเหตุตามผลผู้นั้นก็ชุ่มเย็นศา ส, สนาจึงเป็นคู่เคียงของชีวิตความประทุตหน้าที่การงาน อย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นแนวทางได้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกถ้าไม่นาศาสนาไปเป็นเครื่องดำเนินก็มีความผิดพลาดได้เพราะเหตนใดเพราะคนเราย่อมเห็นแก่ตัวเสมอเข้าข้างตัวเสมอการเข้าข้างตัวนั้นเราย่อมทราบได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อธรรม คือความจริงไม่เหตุผลมันเรื่องความรักตนนั้นใครก็รักแต่การเข้าตนนั้นเข้าไม่ได้คำหนึงว่าถูกหรือผิดจากเหตุหรือผลจึงเป็นความผิดสำหรับการเข้าข้างตัวนี่เป็นนิสัยแม้แต่สัตว์ก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะเขาก็มีสิ่งที่ขัดแย้งต่อทำ นี่เป็นค่าศึก่อธรรมอยู่ภายในใจเช่นเดียวกับมนุษย์จึงต้องเป็นเช่นนั้นนี่ความรักตนก็ทราบว่ารักด้วยกันทุกคนแต่การที่จะปฏิบัติสมเหตุสมผลกับความรักตนโดยธรรมนี้ต้องอาศัยหลักธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าปเป็นแนวทาง เพื่อดำเนินจึงจะเป็นไปเพื่ความสะดวกสะดวกราบพรื่นตลอดไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องเฟยกันได้ด้วยเหตุนี้าศาสนากับเราจึงแยกกันไม่ออกแยกไม่ออกก็เพราะความสุข ความสมบังเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันไม่เว้นนอกจากคนไม่มีสติเช่นคนบ้าคนบ่อ น, นั้นอาจจะไม่ทราบไม่เพราะไม่เหมือนมนุษย์แต่มนุษย์ทั่ ว, ว, วไปนี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันความรักตนเป็นสิ่งสําคัญแต่พระเจ้าทรงสอนไว้ว่าการรักคนรักอย่างไรเป็นความถูกต้องหรือรัก ลูกเต้าเหล่านี้ ร, รักอย่างไงเป็นความถึกถูกต้องเพื่อจะให้ลูกดีสมความรักของเราเร า, เราต้องพยายามทุ่มสอนลูกของเราให้ถูกต้องตามเหตุตามผลอันจะเป็นไปเพื่อความจเจริญโดยถูกต้องไม่จเจริญแบบเสกสรรตั้นยเอาเฉยๆทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ถูก แล้วความไม่ถูกนั้นหนึจะอาจจะระบาดไปให้คนอื่นในระับความเดือดร้อนด้วยนี่ที่นี่ความรักตนสําหรับเราเองก็เช่นเดียวกันความรักตนในสถานที่นี้หมายถึงศีลธรรมเป็นหลักเป็นแก่นสารภายในจิตใจคือเหตุผลนั่นแหละเป็นหลักใจเอาหลักเหตุผลเข้าปเป็นหลักใจอันใดถูกอันไใดผิด เราคำหนึงเสมอแะพยายามดำเนินให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลคือความถูกต้องดีางามนั้นยากลำบากเราไม่ต้องไปถือสาคัญยิ่งกว่าความถูกต้องดำเนินไปตามนั้นจนมีความเคยชินเมื่อมีความเคยชินแล้วเรื่องความยากก็ไม่สามารถที่จะมากาั้นกลาหงหัวห้ามหรื อ, อกีดกันเราได้ มีทางโลกทางธรรมย่นเข้ามาทางธรรมคือรักษาใจของเราหรือเรียกว่ารักษาตัวของเราก็ได้แต่ตัวนั้นมีอะไรเป็นสำคัญมีใจเป็นสำคัญใจเป็นผู้บงการวิจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ถูกจะระบายออกทางใด แสดงออกทางใดย่อมสอถึงใจผู้บงการเสมอเพราะนั้นใจผู้บงการจึงควรจะได้รับการอบรมที่ถูกต้องดีงามเพื่อจะระบายออกในทางที่ถูกผล ท, ที่ย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวของเราจรึงจะเป็นความร่มเย็นศาสนาจึงเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ให้ความร่มเย็ยนเป็นสุขแก่ผู้กระเพิปฏิบฤฤัต โดยสม่ำเสมอเฉพาะอย่างยิ่งอิษตพวนาซึ่งเป็นสิ่งที่แนบสนิทกับธรรมมากกว่าอย่างอื่นเพราะธรรมแท้อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือขณะที่เรานั่งภาวนาซึ่งเป็นเวลาที่เราสงวนจิต รักษาจิตมีสติคอยสอดส่องดูดูแลความเคลื่อนไหวของจิตเราว่าจะเคลื่อนไหวไปในทางใดบ้างเมื่อสติมีอยู่เรายอมทราบความอยากคิดอยากปรุงของจิตเป็นลักษณะผลักดันออกมาให้ทราบได้อย่างชัดเจนสิ่งที่จะผลักดันออกมาคืออะไรส่วนมากเป็นไายตา่ำ เมื่อเราทราบเช่นนั้นเราก็พยายามตั้งสติให้มากขึ้นจนความกระเพื่อมที่จะคิดตรุงไปในแง่ต่างๆนั้นระงับดับไปกลายเป็นความสุขความเย็นใจขึ้นมานี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังหรือเกิดขึ้นจากการบังคับจิตไม่ให้คิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ดี คิดอยู่เฉพาะแง่ทําที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขโดยถ่ยเดียวเท่านั้นเช่นคําบริกรรมเป็นต้นเมื่อจิตได้รับความย่อมเย็นเช่นนั้นกับคาําว่าธรรมนั้นเราไม่ต้องไปถามความร่มเย็นนั่นแหละคือธรรมฝ่ายผลการระมัดระวังนั่นแหละคือธรรมฝ่ายเหตุ การบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติไม่คิดไปในทางที่ไม่ถูกทั้งหลายนั่นคือเรื่องของคือทำฝ่ายเหตุเหตุกับผลอยู่ด้วยกันเมื่อเรารักผลเราต้องการผลอันดีเราต้องรักเหตุคือการกระทําให้ตรงแนวต่อผลที่เราต้องการอย่าให้คาดเคลื่อนไปจากนั้น นี่ชือว่าดำเนินในทางที่ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับโดยไม่นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายนักบวชหรือฆราวาสใดใดทั้งสิ้นเพราะธรรมเป็นธรรมชาติตลากลางๆเป็นสมบัติกลางจิตก็เป็นเช่นเดียวกันตัวจิตแท้ไม่ได้นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสแต่อย่างใดมีความรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนังบวชหรือค า, ารวะมีความรู้ดีรู้ชัวมีความโงค่ความฉลาดเช่นเดียวกัน จ, จริงจริงไม่ยมเพศแล้วทาซึ่งไม่ยมเพศด้วยแล้วก็เข้ากันได้อย่างเสนเิทําเมื่อได้เข้าถึงจิตจิตย่อมแสดงความแปลกประหลาดภายในตัวเองให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนรู้ได้อย่างชัดเจนเมื่อทาก็จิต ได้เกี่ยวข้องกันมากหรือสัมผัสสัมพันธ์กันมากเชื่อมโยงเข้าถึงกันมากเข้าเพียงไรจิตจะแสดงความสง้าผ่าเผยขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจิตของเราจะเป็นเช่นนี้แต่ก็ได้ประจับขึ้นมาผลสุดท้ายตนเองก็อัศจรรยต์ตนเองได้ทั้งๆั้งที่เราเกิดมาเราเราไม่เคยอัศจรรยต์ตนเองเลยไม่ว่าจะได้ผลจริงใดมาไม่ว่าเราจะมีความสามารถเฉลียวฉลาดในแง่ใดในทางโลกที่เราเคยดำเนินมา จะให้เกิดเป็นความอศัศจรรย์ตนเองนี้ไม่ปรากฏนอกจากเป็นความดีใจภูมิใจไปบ้างช่วการช่วยเวลาเท่านั้นแต่เมื่อทำเข้าถึงใจของผู้ปฏิบัติย่อมปรากฏเป็นความอศัศจรรย์ขึ้นมาอย่างชัดเจนภายในตัวเองที่ไม่ได้คาดได้ฝันว่าทำไมความอศัศจรรย์อย่างนี้จึงปรากฏขึ้นมาได้หรือไม่ได้คาดได้ฝันว่า เราจะทำให้เห็นความอศัศจรรย์อย่างนี้แต่ก็ปรากฏขึ้นมาอย่างชาัดเจนจิตที่มีธรรมคือความสงบเย็นใจเป็นต้นได้ปรากฏขึ้นในผู้ใดหรือขึ้นในจิตดวงใดจิตดวงนั้นย่อมแสดงความแปลกประหลาดภายในตัวเองให้เจ้าตัวรู้ หากว่าจะเป็นสิ่ง น, นําออกจ่ายหรือขายตามตลาดแล้วมีเท่าไรเป็นไม่ข้างล้านเลยหมดหมดหมดหมดคนจะมาซื้อกันทั้งโลกทั้งสงสารเลยเพราะใครๆก็ต้องการความสุขความจเจริญความอัศจรรย์ความสมหวังแล้วจิตดวงนี้ก็เป็นจิตรับสนองอย่างนั้นด้วยคือสนองทั้งความสมหวังทั้งความสุขความจเจริญทั้งความอัศจรรย์ โลกทั้งหลายจะรุมมาซื้อจนทั่วโลกว่างั้นเดือดแม้สัตว์ใจฉานเขาไม่รู้ภาษีภาษาก็ตามซึ่งเขาก็มีความต้องการความสุขเขาไม่มีสมมุติมากมายิ่งกว่ามนุษย์เขาต้องการความสุขเขาก็จะโดดมาแย่งมนุษย์อีกเหมือนกันทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์มายุ่งกับร้านค้าร้านนั้นจนไม่มีเวลามเวลาเลยเต็มไปหมด ร้านค้าร้านอัศจรรย์นั้นนั่นแหะร้านอัศจรรย์คือร้านค้าของจิตคนหนึ่นงของจิตที่อัศจรรย์เราพูดเพียงแค่นี้โลกก็กร ะ, กระเทือนไปหมดแล้วว่าจะต้องมาซื้อถ้าเป็นสิ่งที่ซื้อขายกันได้เช่นสินค้าทั่วไปใครๆก็ต้องการด้วยกันทางนั้นแล้วสินค้าประเภทนี้จะไม่มีข้างร้านเลยเดียว หมดหมดหมดจนกระทั่งจะขนมาจับจ่ายขายไม่ทันเพราะโรคหิวก็หายความสุขความเจริญความสมมาก์สมหมายมาเป็นเวลานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันถ้าพอนับกันได้ไม่เคยประสบพบเห็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ธรรมชาติที่เป็นความสุขความเจริญเลยแต่ได้มาเห็นซะแล้วทำไมจะทนได้หล่ะเพราะความต้องการความหิวก็หายมาเต็มอกเต็มใจทาไมจะไม่ซื้อน่ะ ที่เพียงขัน้นจิตที่มีความสงบตัวความผ่องใสของจิตความองอาจของจิตในขั้นนี้เพียงเท่านี้ก็จะจะไม่มีสินค้าประเภทนี้จะไม่มีข้างร้านแล้วแล้วก้าวขึ้นสู่สินค้าแห่งปัญญาซึ่งเป็นสิ่งประดับจิตใจดวงนี้ มีความเพลียวพราวสางาผ่าเผยสว่างสวยทั้งภายในก็มีความผ่องใ ส, สแสดงออกมาก็เพลียวพราวแสงอันใดที่จะมีเป็นแสงสว่างที่นิ่มนวลที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าแสงสว่างภายในจิตภายในธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่มีในโลกทั้งสามนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งร้านนี้แหละคนจะรุมมากยิ่งกว่าร้านที่แรก สินค้าประเภทนี้จะถูกรุมมากยิ่งกว่าสินค้าประเภทที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั้นสินค้าประเภทที่สามจิตมีความค่องแคล่วแวกลา้ากล้ามีสติปัญญารอบตัวสว่างสวัยทั้งกลางวานันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนหมุนตัวอยู่ด้วยธรรมจัก สงาา่าผพาเผยสว่างกระจ่างแจ้งทั่วโลกดินแดนเพียงขนาดนี้กกสว่างกระจ่างแจ้งไปทั่วโลกดิ น, ดนแดนแล้วแม้จะไม่เต็มภูมกิก็ตามนี่สินค้าประเภทที่สามนี่โลกจะรุมกันถ้าธรรมดาเหมือนอย่างโลกทั้งหลายนะเขาแย่งอะไรกันเหมือนโลกทั้งหลายแล้วคนดีไม่ดีฆ่ากันเพราะกลัวจะไม่ได้เนี่แล้วประเภทที่สี่ ประเภทที่หมดจดงดงามอย่างยิ่งไม่มีอะไรเหลือหลอแล้วขึ้นชื่อว่าสิ่งที่จะลดคุณค่าแห่งธรรมชาตินี้ไม่มีเจืออยู่ภายในสินค้าประเภทนั้นเลยเป็นสินค้ายิมูดหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงได้แก่ดวงจิตพระรหันท่านสินค้าประเภทนี้กระเทือนทั่วโลกกระถากทีเดียว น, น, นี่แม้แต่ อ, อยู่ศัพท์อยู่ใต้ดินนึกนรกเอเวจีก็ ถ้าพอมาได้จะเพ่นขึ้นมานโรกแตกเป็นไระจะว่างเลเพราะเป็นสิ่งที่อัศ จ, จรรย์เหนือโลกเหนือสมสารนี่อำนาจของจิตความสง่าผ่าเผยความมีคุณค่าของจิตเป็นสิ่งที่ชนะได้ในโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นทำจริงเหนือโลกโดยประการทั้งปวงธรรมารถทางธรรมก็ชนะรดทั้งหลายแม่ฟัง ไม่มีอะไรที่จะเหนือรถแห่งธรรมได้ถ้าหากว่ารถไม่เหนือธรรมธรรมจะอยู่ครองโลกได้อย่างไรคนจะเป น, นับถือพุทธศาสนาหรือนับถือธรรมได้อย่างไรนี่เรื่องความอัศจรรย์เป็นชั้นๆหากว่าเป็นสินค้าพอที่จะแยกเป็นด้านวัตถุออกมาจับจ่ายขายตามท้องตลาดแล้วตีตลาดโลกแหลกสามโลกธาตุนี้ไม่มีที่ใดที่จะ มาเป็นคู่แข่งสินค้าประเภทสามสี่ประเภทนี้ได้เลยยกประเภทไหนออกไปก็ตลาดทั้งหมายล้มไปหมดประเภทหนึ่งตลาดโลกก็ลม้มประเภทที่สองตลาดโลกก็ละลายที่สามที่สี่ไปหายหมดไม่มีตลาดไหนจะยังเหลืออยู่ข้างโลกพอที่จะมีคนด้ําๆเข้าไปซื้อซัก บ, บาทสองบาทเลยจะรุมมาตลาด สินค้าสี่ประเภทซึ่งเป็นสินค้าอัศจรรย์โดยลําดับนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่นี้ทำไม่สามารถที่จะแสดงตนเป็นวัตถุให้เป็นสินค้าได้เช่นนั้นได้อย่างวัตถุทั้งหลายที่เขาถือเป็นสินค้ากันด้วยมาทำจึงเหมือนไม่มีคุณค่าเพราะสายตาของคนไม่สามารถที่จะมองเห็นธรรมมันมีคุณค่านั้นเพราะใจไม่สามารถที่จะอย่างรู้ สินค้าสินค้าประเภทอัศจรรย์นั้นๆได้ city, science, ทำจริงเหมือนไม่ใช่ทำเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีความศักดิ์สิทธิพิเศษแต่อย่างไดเลยเพราะเหตุใดเพราะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิพิเศษจุดที่ศักดิ์สิทธิพิเศษนั้นมีแต่ของเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเต็มไปหมดอยู่ภายในจิตมองดูแล้ว มันเหมือนกองงูกองคูดทั้ทงๆ ท, ที่ธรรมชาตินั้นก็อยู่ภายในนั่นแหละนี่คืออะไรคือกกเลตซึ่งเป็นจิงโสมมงมันครอบเสียหมดจึงเรียกว่าจิตมันเปื่ะมันเปื้อนเปื้อนด้วยสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีอะไรอัศจรรย์แม้สุดท้ายผลสุดท้าย เจ้าของอยังน้อยใจตำหนิอิเตียนตนเองว่าไม่มีวาสนาบุญน้อยวาสนาน้อยก็เพราะธรรมชาตินี่แหละเป็นเครื่องปิดบังธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งเป็นตัวการของของอำนาจวาสนาววาอย่างมิดชิดไม่ให้มองเห็นได้เลยถึงกับเจ้าตัวหรือเจ้าของนั้นน้อยเนื้อต่าใจว่าไม่มีอำนาจไม่มีวาสนาเกิดมาไม่เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั้งหาย ีแต่ความทุกข์ความจนจิตใจก็หุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปสิ่งที่ทำให้ว่าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสตั้งแต่ของสมมของโตกทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีฉะนั้นการบ่นว่าอะไรจึงไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นเหตุเป็นตัจใจให้มาบ่นมาว่านี่แล้วกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยลาดับลาดับจิตใจของเราจะค่อย จะค่อยๆแสดงตัวออกมาถ้าหากว่าเป็นบ้านก็จะโผหน้าต่างออกมาให้มองเห็นหน้าบ้างโผออกมาบานประตูให้มองเห็นบ้างไม่ถูกปิดไว้อย่างมิดชิดจนมองหาตัวไม่เห็นเลยทั้งๆ ท, ที่คนก็อยู่ในบ้านนะั้นนี่ี่ก็ทั้งๆ ท, ท, ที่กิตก็อยู่ในที่นี่แต่ถูกกิเลสปิดบังไว้หมด มองหาธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษจนไม่มีเลยกลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาไปหมดทั้งทั้งที่คนคนนั้นเป็นคนสําคัญคนหนึ่งกิจดวงนั้นเป็นกิจสาคัญดวงหนึ่งที่หาความสาคัญไม่ได้เพราะสิ่งที่ไม่มีความสําคัญอะไรเลยนี่แหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบงังนี่อันนี้แหละที่ทําให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนมุ่งวายไม่ใช่อื่นใด แม้ตัวของเราเองก็ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมาเหมือนๆ ก, กันก็เพราะสิ่งนี้เช่นเดียวกันแล้วจะนําอันใดเข้ามาแก้ไขเข้ามาชะล้างโดดลงน้ํามหาสมุทรทะเลก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเกิดผลลงในบึงในบ่อ น, น้ําไหนก็ไปเถอะน้ําล้างบาปล้างบุมอย่างที่เขาพูดกันอยู่ตามเมืองอินดงอินเดียเป็นล้างบาปล้างอลไรล้างไปเถอะไม่มีทางที่จะสําเร็จได้เพราะไม่ใช่ฐานะที่จะทําบาป กรรมหรือจิตมัวหมองทั้งหลายอยู่ภายในใจนั้นให้หมดไปได้ด้วยน้ำนั้นนั้นนอกจากน้ำศีลน้ำธรรมน้ำใจที่เต็มไปด้วยศรัท ธ, ธาวิรยะสติสมาธิปัญญานี่เท่านั้นเป็นน้ำสำคัญที่จะชำระสิ่งที่สกรปรกอยู่ภายในใจิตใจนี้ให้ออกได้กลายเป็นใจที่มีความสง่างามขึ้นมาภายในตนแล้วจะเกิดความอัจฉรย์ภายในตนโดยไม่คาดรัน เราอย่าไปตำหนิโทษอันใดอย่าไปตำหนิโน้นอย่าไปตำหนินี้อย่าไปตำหนิอำนาจวา ส, สนาเจ้าของให้ตำหนิสิ่งนี้สิ่งที่พาให้ทุกข์ร้อนคืออะไรนี่แลคือตัวกิเลสนี่แลคือตัวพิษตัวภัยสําหรับเราวาสนาไม่ใช่เป็นตัวพิษเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสนับสนุนเราให้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราได้มีความสนใจไข่ต่อศาสนา เป็ น, นับถือพระพุทธศาสนานี่เป็นตัววาสนานตัวกิเลตตัวเป็นพิษเป็นภัยนี้คือตัวฆ่าศึกของศาสนาของวาสนาให้เราแก้ที่ตรงนี้อย่าไปแก้ที่อื่นถ้าแก้ที่อื่นแล้วก็จะเหมือนกับไปเกาในสถานที่ไม่ขันแล้วจะทาให้ถลอกปอกเปื้อยเปื่อนโสกกบกแล้วเจ็บปวดเป็นแผลขึ้นมาได้เพราะเกาไม่ถูกศุกที่ขัน การแก้กิเลสการแก้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเราจะไปแก้ด้วยความบ่นเพอ้อละเมอไปต่างๆถึงกับการตําหนิตีเตียนอํานาจวาสนาของตนตนําหนิตนเมื่อเกิดมาเป็นปนอาภาพแบงนี้เป็นความผิดเช่นเดียวกับการเกาไม่ถูกที่ขันเกาลงที่มันพาให้เราเดือดร้อนเพราะอะไรให้พิจารณาลงตรงนี้อันนี้แลคือไฟอันนี้แลคือตัวไผ่ให้แก้ลงที่ตรงนี้ ด้วยความอดทนด้วยความเพียรของเราแล้วตำหนิ ต, ตรงนี้ล้วพยายามไม่สังสมมันขึ้นมาความคิดในแง่ใดก็ตามที่จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเป็นแง่ผิดทั้งนั้นแก้กันลงที่ตรงนี้ระงับ ก, ก่อนลงที่ตรงนี้ชื่อว่าเราสร้างวัสนาภายในตัวของเราเองและเป็นการปราบปรามสิ่งลามก หรือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นค่าศึกทั้งหลายนี้ให้ออกจากจิตใจของเราด้วยในขณะเดียวกันเราจะได้เห็นสิ่งอัศ จ, จรรย์ซึ่งมีอยู่ภายในของเราคือความรู้อันนี้แหละจะแสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผยโดยไม่มีอะไรปิดบังเช่นดังที่เคยเป็นมาพระพุทธเจ้าท่านพิเศษพระท่านถอดถอนท่านชะล้างสิ่งสกรปรกสิ่งกดทวง สิ่งตัดทอนความดีทั้งหลายออกออกจนหมดไม่มีภายในพระไท่เองสมนาม่าเป็นศาสนราแท้ไมใช่ศาสตาทั้งทั้งที่มีกิเลสสมมอยู่ภายในจิตใจเป็นศาสดาหรือเป็นพระผู้ทธเจ้าด้วยความบริสุทิ์ดทั่วสิ่งโกระปลกทั้งหลายนั้นได้หมดไปจากพระไถ่สาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง ที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าดําเนินไปในทางสายเดียวกันวิเลตปัญหาเป็นประเภทเดียวกันอุบายวิธีที่จะแก้ไขเราก็ต้องนําธรรมะคำตังสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาแก้ไขภายในจิตใจของเราเช่นเดียวกันด้วยความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรของเราก็เท่ากับว่าเราก้าวไปวันหนึ่งวันหนึ่งก้าวไปโดยลําดับไม่ถอยหลังความจงหมังของเรา จะไม่เกิดขึ้นกับการดำเนินที่ถูกทางหรือที่ถูกต้องดีงาม น, นี้จะมีที่อื่นใดเล่าเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความสมบงังมีทางเดียวนี้เท่านั้นนี่หลัการสร้างาศาสนาการฟิตตัวให้ดีก็ฟิตตรงที่ตรงนี้คือแก้สิ่งที่ไม่ดีภายในจิตใจของตรเราจะได้เห็นร้านค้าของเราสินค้าของเรา มาเป็นของอัศจรรย์มากน้อยเพียงไรภายในใจของตนในระหว่างขันกับผิดเราจะได้เห็นชัดๆว่าขันตั้งห้า น, นี้รูปประขันเป็นต้น<ม>ก็เหมือนกับด้านค้าอื<ม>ใจที่ทรงคุณธรรมไว้โดยตามขั้นภุมิของตนก็เป็นเรียบเหมือนกับสินค้าตามขั้นแหน่งสินค้าที่ตนมีคุณค่ามากน้อยภายในใจเพียงไร จนกระทั่งถึงสินค้าอันประเสริฐสุดคือวิมุตตหลุดพ้นภายในจิตใจนี่แหละท่านท่านเรียกว่าสินค้าอันประเสริฐตามที่ได้กล่าวมาในเบื้องตน้นไม่ปลอเป็นสินค้าที่จริงองค์อาจกระหารท่าทางได้ภายในตนเองไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดไปที่ใดไม่ตำหนิ ด, ดินฟ้าอากาศไม่ตำหนิสถานทีนนท่นั่นที่นี่ ไม่ตำหนิผู้คนหญิงชายไม่ตำหนิ ด, ดินฟ้าอากาศไม่ตำหนิอะไรทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่ตำหนิตัวตัวการตำหนิต้นเหตุตำหนิมันหมดสิ้นไปจากใจแล้วไปไหนไม่ตำหนิเพราะไม่มีธรรมชาติเจ้าจอมตำหนินี้อยู่ภายในใจนี้แต่ความดีไปไหนดีหมดดูอะไรดีหมดดูคนทุกข์ก็ดีโดยธรรม ดูอะไรเลยก็ดีโดยทําทั้งนั้นไม่หาเรื่องหาราวหาแง่ต่างๆมาเป็นการกวนใจตนเองจึงเรียกว่าสุขโตคิดไปที่ไหนก็ไม่เป็นภยัยมองเห็นอะไรก็ไม่เป็นภยัยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกับเพื่องอะไรไม่เป็นภยัยเป็นสุขโตโดยไปโดยตลอดนี่คือผู้หมดภยัยไปที่ไหนหมดไม่มีภัยติด ภายในจิตใจเพราะเชื่อแห่งภัยไม่มีนี่เขาเรียกว่าตลาดอาจจัจฉรยะหรือสินค้าอาจจัจฉรย์นั่งอยู่ก็คลองสินค้าอาจจัศจฉรยะไม่อยู่เดินไปไหนก็คลองสินค้านี้ดูก็คลองตายไปแล้วก็คลองสินค้าอันนี้แหละไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถอำนาจวาสนามา ก, กดขี่บังคับหรือแย่งชิงเอาสินค้าประเภทอจจัจฉรยะของเราซึ่งเป็นสมบัติของเราแท้นี้ไปได้ น, นั่นจึงของให้พากันพยายามชำระสิงสกรรกทั้งหลายภายในจิตใจซึงเป็นสินค้าอันประเสริฐของเรานี้ให้หมดไปหมดไปให้เหลือแต่ทองทั้งแท่งให้เหลือแต่ภาคแท้คือมโนธาตุที่บริสุ์แท้นั่นแหละคือแดนแห่งความสมบัง แดนแห่งความสุขความเกษมก็คือที่นั่นแหละไม่มีที่อื่นใดในโลกทั้งสามอยากคิดให้เสียเวล่ำเวลามาไปที่นั่นจะดีไปที่นี่จะดีมันหลอกเจ้าของทั้งนั้นแหละถ้าตัวการตัวก่อกรรมก่อเวรก่อเหตุหรือตัวยุ่ยแย่ก่อควนนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจเนะ้มันจะหลอกไปเรื่อยเรื่อยจนขาปุดขาขาดมันก็หาความสุขไม่มีมันจะหลอกไปจนกระทั่งขาขาดแล้วไม่เจอความสุขดัง ที่มันหลอกนั่นเลยฟังแต่ว่าหลอกนั่นถึงถ้าหลอกไปเรื่อยๆหลอกไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆเนี่ยธรรมะท่านไม่ได้หลอกธรรมะเป็นของจริงท่านจึงสอนลงในจุดที่จริงจริงๆไม่สอนแบบหลอกลวงและไม่สอนในจุดที่ไม่จริงจิตนี้เป็นสถานที่รับธรรมโดยแท้ท่านจึงสอนลงที่จิต ให้จิตพินิพิจารณาให้จิตรับธรรมน้ไว้ประพฤติปฏิบัติกําจับสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองออกจากจิตแค่เองแล้วจิตก็เป็นจิตที่ประเสริฐเลิศโลกขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในโลกนี่แหละท่านผู้ประเสริฐไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเหาะเหินเดินฟ้าขึ้นไปที่ไหนจึงจะประเสริฐดูเฉยๆธรรมดาเหมือนโลกก็ประเสริฐเพราะประเสริฐที่จิตไม่ประเสริฐในที่อื่นใดขอได้ยนนำไปพินิพิจารณาการแสดงทำความเห็นมาสมควรจึงขอฤิเพียงเท่านี้